เพราะฉะนั้นอาการที่ทําให้ปรากฏก็คือประวัตินี่แหละความเป็นไปนี่แหละประวัตินี่แหละความเป็นไปส่วนลักษณะของสมุทัยศัสตร์ว่ามีความก่อให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะมันก่อสร้างจริงๆนะตันหาเนี่ยรูปปตัตนหาสร้างอะไรทวนสร้างตาเสียงเพราะๆสร้างโ อ, โอเพลงก็เพราะจริงๆนะก็ชอบฟังอย่างเงี้ย น, นะก็สร้างหู เล่นหอมหอมสร้างจมูกรสอร่อยสร้างลิ้นโภชภาพที่ดีสร้างกายชอบคิดไปเรื่อยก็สร้างสร้างใจะนะนั้นก็อันนี้ลักษณะของเขาเนี่ยเกแต่ว่าคนสายตาสั้นก็นึกว่ามันก่อแค่บๆใช่ไหมมันก่อให้เกิดในของเรานะที่ที่เห็นเห็นเนะี่ยยังไม่ถึงใครเห็นใครถึงสามพบเลยนะเห็นก่ออยู่พบเดียวกันนะ่ะ พบไหน <c oughs> ก่อกามมาพบกัน <c oughs> ถ้าคนได้ฌานนะถ้าได้รูปฌานนะก่อรูปประพบด้วยถ้าได้อารูปฌานนะแสะดงว่าก่ออารูปประพบแต่เราเราทั้งหลาย <c oughs> ก่อพบเดียวก่อกามมาพบอย่างเดียวมันก็ตันหานี่ธรรมชาติที่ก่อพบหม่เป็นลักษณะ <c oughs> ถ้าแบบพูดแบบชาวโลวกทั่วไปนะใครนักสะสมก็คือนักก่อใช่ไหม เห็นอะไรก็เที่ยวเก็บมาเรื่อยเก็บมาเรื่อยมันก็จะก่อขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นนะเนี่ยบางคนชอบชอบเก็บของเก่าใช่ไหมก็เอาของเก่ามาสะสมกองขึ้นกองขึ้นของเราเพลิเพลินในการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็สร้างตาขึ้นก่อตาขึ้นไปเรื่อยกิจของตัญหาหรือสมุทัยศาสตร์ก็คือทำให้ไม่ขาดสายเออมีมีเคยมีวัตทุกเนี่ยมันขาดสายบ้างไหม ผลพวงของการสร้างตันหานะพอมีจุติแล้วนะว่างจากจุติตั้งหนึ่งกับอย่างเงี้ยนะแล้วมาจุติปฏิสนธิต่อไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีขาดเลยนะจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิมันเชื่อมอย่างเงี้ยไปเรื่อยยาวเลยอะ่ะนะต่อเพราว่ามันมันเก่งมากเลยนะมันทำไม่ไม่ขาดสายอ่ะนะเอออย่างอย่างเช่นทวารหกของเราเนะี่ เออจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปรู้กลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะมันหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ตลอดเลยนะไม่มีอ่ะไม่มีขนาดไหนที่มันว่างเว้นเนี่ยนะสงบไม่มีสืบเนื่องย้อนไปตลอดมันทําให้ไม่ขาดสายเป็นเครียกว่าเป็นผู้จัดการก่อสร้างชั้นยอดเนี่ยนะเป็นนักก่อสร้างชั้นเลิศเลยแหละตันหาเนี่ยนะโครงการแต่ละอย่างในระยะยาวทั้งนั้นเลยนะอะไรยาววัตตยาว สูตรหมอวันโลกก็บอกทุเรวัตเหมืองกันแต่งบาลีขึ้นเองก็บอกทุเรวัตณทูเรวัตเหมือนั้น <c oughs> แปล ว, ว่าพวกวัตตะยาว <laughs> <c oughs> นะนั่นน่ะ <c oughs> สันติเกวัตก็วัตตะมันใกล้เข้ามาเลย <c oughs> ใกล้จะสุดอันนี้ทุเรเลยยาวเลยเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มีความปริพเทเป็นอาการปรากฏ <c oughs> ก, ก็ใครที่หัวงใหญ่เยอะๆนันน่นแหละตันหายเยอะ กังวล น, นั่นน่นกับกังวลอันนี้ก็กังวลอย่า น, นีกังวลไปเรื่อยนั่นแหละเป็นอาการปรากฏของสมุทัยสัตว์ทั้งหลายนะว่าโอ๊ยเกิดอีกนานเ น, นี่ยนะบ้านก็ยังดีนั่นน่นก็ยังใช้ได้อันนี้ก็ไม่เสียหายสวนก็กําลังดกมากเลยนะก็ถ้าจุติตอนคิดถึงลำไยเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์วินิจตอนกําลังดกดกอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นเพลียเป็นรูปกเกาะลูกลยาไยอะไ โอ้ลำบากมากมันต้องนี่ทําปริญญาลำยัยเอาไว้ดีเนอะนึกลำยัยเมื่อไหร่ก็เห็นอริยาาสัจเลยอ่ะท่นยานก็รู้ว่าอันที่จริงนะเราสังเกตวุว่าสิ่งใดที่เราเอามาคิดย้ําบ่อยย้าบ่อยนะคิดบ่อยๆตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับยรย้ําคตินิมิตกับกรรมนิมิตมอยู่นะนนคือถ้ามีสิ่งนั้นอ่ะแล้วปฏิสนธิแถวนั้นอ่ะ น, นั้นเป็นคตินิมิตนะ แต่ถ้าคิดแล้วไปทํากรรมะนะถ้าไม่ใช่เกิดแถวนั้นอันนั้นจะเป็นคตินิอ่ากรรมมนิมิตไม่ใช่กรรมมอารมณ์ต้องเจตนาคือสมมตุตนะินึกถึงสวนลําไยใช่ไหยอย่างไหนไหนก่อนไหนไหนแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือสมมุติว่าอถ้าจะต้องเกิดแถวแถวสวนลําไยแถวแถวลูกลําไยอ่ะนะที่กําลังดอกๆนั่นแหละอันนี้เป็นคตินิมิต ถ้าแบบคิดถึงและจุติเกิดตรงนั้นเลยนะอันนั้นเป็นคตินิมิตแต่ถ้าคิดถึงตรงนั้นแล้วไปเกิดที่อื่นพบอื่นที่ที่ไม่ใช่แถวแถวบริเวณนั้นนะนะอันนั้นเป็นกรรมนิมิตเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ของพบใหม่แล้วก็ถ้าสำหรับถ้าคิดถึงบ้านนะแล้วเกิดอยู่แถวบ้านอะไรเกิดเป็นอะไรก็เถอะตามสมควรแก่กรรมเนี่ยนะเกิดอยู่แถวบ้านอันนี้เป็น คตินิมิตสมมติถ้าจ้างไกสอนคิดถึงบ้านที่ศรีราชาแล้วไปเกิดอยู่แถวนั้นเนี่ยนะอ๋อไม่คิดเลยนะเรเห็นเล่าให้ฟังตั้งหลายครั้งแล้ไม่คิดได้ยังไงไม่คิดไม่เล่าหรอกอันนี้อันนั้แ น, น, นแหละถ้าถ้าสมสมติเราไปเกิดอยู่แถวนั้นอันนั้นเป็ น, ปนคตินิมิตแต่ถ้าว่ามีอันนั้นเป็นอารมณ์แล้วไปเกิดที่ที่ไหนก็ที่พบอื่นนะนะเช่นไปเกิดในเทวดาเป็นต้นอันนั้นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เพราะว่า เอาอ่เอาเอารู้ได้เฉพาะตัว <c oughs> แล้วก็ปริโภทเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ตันหาเนี่ยมันมันเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าก่อนตายเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ยังมีตันหาอยู่ยังไงก็ต้องมีตันหาก่อนจะตานยนะ ยังไงก็ต้องมีตันหาแน่นอนถามว่าทำไมจึงต้องมีตันหาแน่นอนโดยที่สุดแม้คนมีไฟนรกเป็นอารมณ์นะก็ยังยินดีอยู่นะก่อนจะตายก็ยังเห็นไฟนรกนะก็คือมันจะมีใครโทรสะตลอดเวลาบ้างไหมคนป่วยนี่แอบหวังอยู่บ้างไหมขณะที่เจ็บปวดทรมานนะแอบหวังเรื่องอื่นอยู่บ้างไหมในขณะนั้นนะมีไหม ถ้ามีแสดงว่าตันหาอย่างชอบอย่างอื่นอยู่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ขณะที่กำลังเจ็บปวดเป็นต้นเนี่ยาะันะถ้าใครมีสิ่งใดเป็นอารมณ์นะแล้วแถวๆนั้นที่จะประกาศพบใหม่เนี่ยก็ศึกษาให้ดีจริงๆอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยนะมันถ้าศึกษาปัจจัยมาดีนะมันอ่านแม้กระทั่งเรื่องจุติปฏิสนธิได้อะนะัอารมณะปัจจัยอย่างเดียวนะมันอ่านจิตได้สี่สิบหกดวงอ่ะ อย่างอย่างที่ที่กล่าวไปนะโอ้โหนี่มีบุญนะมาฟังธรรมกับเขามั่งแต่ว่าถ้าเขาฟังข้างนอกจะดีมากเลยนะเนี่ยเหยียบกลัวเหยียบแล้วจะกัดเอาอั น, นอันนั้นสมมติว่าอย่างที่ ปกตินะเห็นหยาบๆเลยก็สีสีอันนั้นก็เป็นสีอะไรก็ได้สักอย่างนะสีเป็นสีผลไม้ใบไม้ใบไม้เขียนยังไงชักเป็นเอามากแล้วคือถ้าจากอันนี้โดยเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยนะถ้าศึกษาธรรมมาดีเนี่ยอ่านจิตได้เลย สมมติว่ากำหนัดในอารมณ์นี้ไหมกำหนัดนะแปลว่าพอใจไหมอันนี้ประกาศถึงโลภะเข้ามาเลยถ้าโลภะปั๊บเนี่ยเป็นตัวแทนของแปดดวงขัดเคืองไหมขัดเคืองเลยนะเรียกว่าขัดเคืองก็โทสะสองสงสัยหรือพิจารณาหรือฟุ้งซ่านอยู่ไหมก็โมหูระจิตสองเนี่ยนะ แล้วเป็นกุศลไหมทานนึกน้อมไปด้วยทานศีลภาวนาผลไม้เนี่ยทานไม่ยากไหมคุณนภานึกถึงทานก็ไม่ยากใบไม้นึกยากไหมไม่ยากถ้าใบประกาศเนี่ยนะคำว่าใบาไม้ก็รวมถึงใบปรกกาศใบคณะใบอะไรก็ได้นะก็น้อมไปที่เหมือนทานศีลภาวนาก็ได้เท่าไหร่ละแปด ทีนี้บางคนเนี่ยพิเศษถ้าเป็นพารอหารคิดก็แปดแล้วต่อด้วยอารัมมะปัจจัยพวกนี้เป็นชาวนะนะจากนั้นก็จะมีตัทรัมมะอีกแปดก็จะเป็นเฉพาะตรงนี้ก็ยี่สิบสี่อันนี้ก็สิบสองเป็นเท่าไหรล่ละ สามสิบลใช่ไหมอ่าแล้วก็มีถ้าใช้อภิญญาเห็นใช้อภิญญาเห็นเห็นสีนะถ้ารู้ด้วยอภิญญาก็ได้อภิญญาสองอภิญญาสองแล้วก็ทวารตายอีกนะปัญจทวาราวัชนะอ่ะจาจกคูทวาราวัชนะหนึ่งอะไรอีกทวิปัญจสองสัมปฏิชนะ สสันติรณะส า, าโวัฒพนะเนี่ยนะหนึ่งเป็นเท่าไหรล่ละก้าน่ะก็ขั้นกาบวกสบสองบวกยสบสบวกสอง เยอะขนาดนี้เลยล่ะจริงน่าจะ46นะปกติควรจะสี่สสันติระณะสามไม่เนะ ไหนรวมเป็นเก้าไหนนี่นี่รวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งด้วยปัญ จ, ท ว, จทวาราวัชระหนึ่งจักคูวิญญาณสองสามปฏิชนะสองสันติรณนะนสามโบธพันะหนึ่งอาลนะแล้วจริงๆอิงนะยังมีหาสีอีกหนึ่งนะหาสี 5, 4, อีกหนึ่งทนตรงนี้ก็นับสิบไปเลย สี mm ่ส hmm. ah. ิบแปดก็ส oh. ีอย่างเดียวนะเป็นอารามณะปัจจัยของจิตสี่สิบแปดอ๋ออันนี้ตถาอารามณะขอโทษตถาที่เป็นมหาวิบักไงไไงอุษาเนี่ยยี่สิบสี่ กา ม, มาว จ, จราศโสภาณยี่สิบสี่ก็สี่ส่บแปดนะคือหมายความว่าสีอย่างเดียวเป็นอารมณปัจจัยของจิตสี่สิบแปดทีนี้วิถีจิตที่ถ้าไม่ใช่อภิญญาวิถีตายว่าโดยรวมๆแล้วนะพูดรวมๆเนี่ยถ้าเป็นของเราทั้งหลายเนี่ยก็ชาวณยี่สิบเนี่ยสิบสองกับแปด เพราะฉะนั้นชาวนะอันเนี้ยสมมติชาวนะสุดท้ายเนี่ยต่อด้วยจุติแล้วก็ปฏิสนธิทันทีเลยนะอันนี้ก็จุติต่อด้วยจุติแล้วก็ต่อจากปฏิสนธิโดยที่มาจากสีอันเนี้ยเป็นอารมณ์นะี่มันปฏิสนธิพวกเนี้ยมีสีพวกนั้นเป็นอารมณ์เลยพเพราะฉะนั้นแค่ว่าเห็นสีอย่างเดียวนะอ่านพบใหม่ได้เลย อ่านจากอะไรก็จากชาวนะก่อนตายนั่นเองมันก็ซ้อมๆมไปมบ้างมนะันไหะถ้ามีผมเป็นอารมณ์เกิดเป็นอะไรเา้าสัตว์ที่เกิดเป็นเหาไม่ใช่น้อยน้อยนะ เอาสิงถ้าติดข้องตรงไหนไม่รู้อยู่แถวนั้นได้หมดอะเชื่อนันก็อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแต่แต่ละอย่างเนี่ยนะถ้าไม่ทำปริญญาอันนั้นอนะเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของพบใหม่เลยแหละก็สูตรอะไรนะถ้าถ้าบุคคลคิดถึงพูดถึงท่ำถึงสิ่งนั้นนะญญองงนะนะวิญญาณก็หยางลงใช่กรรมวิญญาณก็หยางลงเมื่อกรรมวิญญาณหยางลงอะไรหยางลง นามรูปก็ยังลงพบใหม่ก็ยังลงเรียบร้อยหมดเลยก็ในในพระไตรปิฎกพูดถึงเรื่องหนึ่งนะนะมีชายคนหนึ่งนะนะเขารักภรยาเขามากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกของภรยาตัวเองอนะไรมันถ้าห่วงที่ไหนมากติดข้องตรงไหนามากอะนะอะไรก็ช่างเถอะติดบ้านมากก็ตายแล้วเรียกว่าบ้านผีสิงไงไหม เป็นผีเฝ้าบ้านเนี่ยนะนะั่นแะก็ในภาษาดิบุตรเป็นต้นเนี่ยนะท่านเคยอดีตชาติเคยเป็นเศรษฐีแล้วก็ติดข้องในขุมทรัพย์แล้วเกิดเป็นหนูเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพยนะ์นั่นแหละเคยนะภาษาริบุตรในอดีตชาติท่านก็เป็นผ่านมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่พ้นน่ะนะพระระยะท่านพ้นแล้วใช่ไหมปุถุชนทั้งหลายก็ยังไม่พ้นเลยพ่านวัตถุนอนั้นจึงต้องเอามาทํา ปริญญาให้เพียรพร้อมถ้าไม่ทําก็นี่แหละตัณหาเนี่อาการปรากฏมันก็ปริโพเทศวัตถุใดถ้าไม่ทําปริญญานะวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งปริพเทศเพราะอารมณ์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยเป็นอารมมณ์นานุสัยใช่ไหมเป็นที่เกิดแห่งอนุสัยเป็นทีเราอุปติฐานนะคือเป็นที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสัยก็เท่ากับบอกว่าที่เป็นที่เกิดแหง่ง พบใหม่เพราะว่าอุปาทานขันห้าเป็นแหล่งโครจรแห่งพบสาม ฉบับนี้ก็ไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ แบบ ER ถ ну? oh. ้ากลุ่มพวกสันตินะพวกนั้นเป็นต้นนั้นก็เอาถ้ามีเผาเผาเป็นอารมณ์มันจะไปไหนก็ไปคือบอกโอ้ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วไปอบายนะศึกษาขนาดนี้ไปอบายเสียชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะสาเรียนวิชาพระพุทธเจ้าแล้วยังไปอีกนะแม ไปแล้วอ่ะนะค่อยไปค่อยเลยไปอาบายค่อยไหว้ที่หนึ่งให้มันพนจะ <laughs> ไ, ได้เสียชื่อว่าพุทธเจ้าไม่ได้แต่ได้โดยเรียกว่าอย่างพวกที่เจริญอุปสมานุสติก็พอน้อมไปละเลึกได้โดยเปรียบกับภัยของสังขารเรียกว่าตรงภัยนั่นเอง คือถ้าพวกที่จะมณน ส, สิการถึงพระนิพพานได้บ่อยๆนะพวกที่ได้กลุ่มอาทีนวะอาทีนวานุปสนายานเนี่ยนะพวกพยัตัุประธานนายนิพพายา น, น, พายานนะพวกนี้จะเอาเรื่องนิพพานมาคิดมากกว่าเพื่อนเพราะมันเกิดเห็นสังขารเป็นภยัยพระนิพพานนี่ปลอดภยัยนะอุปาทหเป็นภยัยการไม่เกิดปลอดภยัย อุปาถ้าความเกิดเป็นภัยความไม่เกิดปลอดภัยความเป็นไปเป็นภัยความไม่เป็นไปเป็นภัยเนี่ยนะนิมิตเป็นภัยความไม่มีนิมิตปลอดภัยเนี่ยนะคือพวกนี้ในระดับสูงเขาจะคือโดยอนุมาณนะโดยอนุมานเพราะคือจิตมันต้องน้อมไปเพื่อออกก่อนเหมือนกับอย่างว่าโรคนี้ไม่ดีถ้าหายโรคดีนนก็คิดแต่สภาพแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะน้อมไปเพื่อความไม่มีโรคเนี่ยนะครับจัดการรักษาเพื่อให้พ้นจากโรค อ่ก็อันนี้เป็นโลคยะานยที่เรียกว่าพออนุมานได้ซึ่งซึ่งไม่ได้เห็นจริงๆหรอกอนะไหนผลผลอะไรอเยังไงก็ไม่มีตัวนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายอยู่แล้วละ่ะ <N> ก, ก็ก็ไปมีกรรมนิมิตมีอย่างอื่นแว บ, บเดียวไม่ได้ยากอะไร <N> คือมันคิดอย่างงั้นได้ตลอดไปไหมละ่ะ มันคิดได้ไม่ตลอดเนี่ยนะคือการที่จะน้อมน้ำมาการพนิพพานเนี่ยต้องเช่นปฏิสนธิเนี่ยเป็นภัยถ้าไม่ปฏิสนธินี้ปลอดภัยพันธ์จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องปฏิสนธิเป็นอย่างดีความเกิดเป็นภัยถ้าไม่เกิดปลอดภัยความแก่เป็นภัยไม่แกป่ปลอดภัยความตายเป็นภัยไม่ตายเป็นภัยปลอดภัยความโศกเป็นภัยความไม่โศกปลอดภัยเนี่ยนะ ความคับแค้นใจเนี่ยเป็นภยัยถ้าไม่คับแค้นและปลอดภัยอย่าง น, นหรือความคับแค้นใจเป็นสังขารไม่คับแค้นใจเป็นพระนิพพานซึ่งพวกที่ได้นิพิทายานเป็นต้นจะไข่ควรเรื่องเนี้มากเพราะจิตเขาน้อมที่จะออกอย่างเต็มที่อันที่จริงพวกที่เจริญโพชฌงเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าโพชฌงแบบคนที่เจริญเป็นเป็นกิจกรรมของเขาอะนะไม่ใช่นักเรียนโพชฌงนะ น, นักฟังพ่อชงก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่หมายของว่านักเจริญโพ่อชงจริงเขาคิดอย่างนั้นคิดน้อมในเรื่องการสลัดออกเนี่ยมากนั่นก็ถ้าคิดแถวๆนั้นได้ไม่น่าเป็นห่วงหรอกนะคติได้ดีอยู่แล้วละ่ะเนี่ยนะไปดีแน่เว้นไว้แต่ว่าเข้าใจผิดในเรื่องพระนิพพานนะถ้าเข้าใจผิดในเรื่องพระนิพพานเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่แน่พทิฐิวิถีสุดท้ายนี้ยุ่งเหมือนกันนะเพราะการศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะอริยศาสนั้น จึงพยายามควรทําความเข้าใจให้ดีมาใช่นึกไปนิพพานแล้วก็มันมีนิพพานที่เป็นเมืองดินแดนแห่งแดนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนล่ะท่านนี้ก็ต้องคือตรงนี้แหละการศึกษาพระธรรมนะถ้ากล่าวให้ตรงๆนะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงๆถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยนะไม่มีใครรับผิดชอบพบะภใหม่ของเราหรอกคือแม่ของพบใหม่นั่นแหะจะรับผิดชอบเราอย่างนั้นแต่จะว่า แต่ญาติชาตินี้นะไม่มีใครรับผิดชอบเราไม่มีใครไปตามรับผิดชอบเราหรอกยอมศึกษาธรรมะเข้าใจดีหรือเข้าใจไม่ดีเนี่ยหรือไปพบใหม่นะผมมาไม่ได้ไปรับผิดชอบอะไรหรอกผมมาจําได้ว่ายังไม่ได้ไปรับผิดชอบใต้ลมโชยเลย <c oughs> <c oughs> ว่าเราก็อยู่ของเราอยู่นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมพันไอของเรามันเป็นของเราจริงๆล่ะพรันก็พยายามทําความเข้าใจให้ดีๆเธอ มันศึกษาพระธรรมให้ให้ดีๆแล้วก็มั่นคงในสารณะนะพระรัตนตรัยก็จะเป็นที่พึ่งของเราในส่วนนั้นแต่ถ้าไม่ดีนะถ้าแบบเมาเหมารวมๆเนี่ยนะจริงทางธรรมะไม่มีหรอกนั้นก็พยายามทำความเข้าใจให้ดีด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยวิริยะอุตสาหะเธอเนี่ย น, นะเพราะว่าศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเนี่ย น, นะนำออกจากทุกข์ได้จริงถ้า ผ, ผู้นั้นไม่ประมาท อย่าลืมนะอัตถะของไม่ประมาทก็คื อ, อทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วตามรักษาศีลที่เกิดแล้วสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเหมือนกันทําาทอำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดมุ่งอนุเคราะห์กับศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศ น, น์ที่เกิดแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะกําหนดรู้ทุก หรือตั้งใจที่จะทำปริญญาในทุก์ที่ยังไม่ได้ทำปริญญาตั้งใจที่จะละสมุทัยหรือวิปลาสในธรรมที่ยังไม่ได้ละเนี่ยน้อมไปเพื่อแทงตลอดอสังคตาธาตุอบรมธรรมขันคือภาวนาดังที่กล่าวไปนี่ก็สมควรกับเวลาแล้วนะ